พร้อมพร้อมไหมวิธีพร้อมที่จะฟังธรรมะเตรียมใจทำใจสบายๆแต่ไม่เคลิมทำใจรู้เนื้อรู้ตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจเราลืมเนื้อลืมตัวเราเรียนธรรมะไม่ได้ธรรมะเรียนเรื่องกายเรื่องใจเรื่องตัวของเราเอง ยพยายามรู้สึกตัวสบายๆไม่เพ่งไม่บังคับกายบังคับใจให้เคร่งเครียดแค่รู้สึกเอาแค่รู้สึกรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจฝึกไปเรื่อยหลายปีหลวงพ่อสอนกรรมฐานานานช่วงแรกๆพยายามสอนพวกเราให้รู้สึกตัวเป็นเรื่องแปลกนะ คนในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวนะสมัยโน้นนะสมัยนี้พวกเรารู้สึกตัวกันได้เป็นเรื่องธรรมดาละแต่ก่อนน่ะใครรู้สึกตัวขึ้นมาคนหนึ่งก็เป็นเรื่องแปลกหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะสอนเพื่อนๆมากลุ่มหนะึ่งให้รู้สึกตัวเวลาไปหาครูบาอาจารย์แค่นั่งรถตู้ไปมีอยู่ไม่ถึงสิบคนนะประมาณเกือบเกืบสิบคนเลยสิบคนนะ แค่รู้สึกตัวสิบคนนะโรูบาอจารย์ยังมองเลยบอกว่าไปรวมกลุ่มกันมาได้ยังไงมากขนาดนี้นะอย่างที่จริงคนไม่ค่อยรู้สึกตัวในโลกคนหลงเกิดมาก็เกิดมาด้วยความหลงนะมีชีวิตอยู่ก็อยู่กับความหลงแล้วก็ตายไปกับความหลงมีแต่หลงกับหลงไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนเรานะให้เราเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา นี่นเรามาฝึกจิตฝึกใจของตัวเองมาปลุกใจตัวเองให้ตื่นคนทั้งหลายตื่นแต่ร่างกายเรามาปลุกใจให้ตื่นใจของคนทั้งหลายน่ะหลับตลอดเวลาฝันตลอดเวลาเวลาจิตมันไปฝันนะก็คือจิตมันคิดนั่นเองพวกเราดูออกไหมจิตคิดทั้งวันจิตคิดทั้งคืนถ้าตอนตื่นจิตคิดขึ้นมาเราก็เรียกว่าคิดนะตอนหลับจิตมันคิดขึ้นมาเราเรียกว่าฝัน ที่คิดกลางวันเนียกฝันกลางวันตื่นตื่นนี่แหละฝันอยู่ทําไมเราฝันกลางวันได้นะเพราะใจเราหลับมันตื่นเฉพาะร่างกายงั้นจุดแรกเลยก่อนที่เราจะมาภาวนาจเจริญสติจเจริญปัญญาไปสู่ความพ้นทุกขนะ์เรามาปลุกตัวเองให้ตื่นมากระตุ้นตัวเองให้ตื่นให้หลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้ แบบใดที่เรายัางหลงอยู่ในโลกของความคิดเรายัางหลับอยู่ไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีการที่สะดวกนะที่ง่ายในการปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาก็คือรู้ทันว่ากําลังฝันอยู่อย่างเวลาฝันร้ายบางคนก็ปลุกตัวเองนี่กําลังฝันอยู่กําลังฝันอยู่นะก็ตื่นหลุดออกจากโลกของความฝันได้ฝันร้ายนี่แหละการตื่นนี่ยิ่งง่ายนักกว่อีก เรารู้ทันว่าจิตกําลังฝันอยู่จิตกำลังคิดอยู่เหมือนตอนตอนหลับฝันร้ายเราปลุกตัวเองให้ตื่นด้วยการรู้ทันว่ากําลังฝันอยู่ใครเคยทําได้ตอนนี้มีไหมมีไปยักหน้ากันงุ๊บงุ๊บงุ๊บงุตอนตื่นนี้ย่ง่ายใหญ่ะปลุกตัวเองให้ตื่นด้วยการรู้ทันว่ากําลังคิดอยู่ <c oughs> กําลังฝันอยู่ <c oughs> ถ้าเมื่ไรใจไปคิด แล้วเรารู้ทันว่าใจผิดคิดเราจะตื่นในฉับพันนั้นเลยจะตื่นขึ้นทันทีหลุดออกจากโลกของความฝันมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวโลกของความฝันไม่มีจริงเรื่องราวที่คิดเรื่องราวที่ฝันนั้นไม่มีจริงเป็นบัญญัติสิ่งที่ปรุงขึ้นมาจากความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยดังนั้นเมื่อไรเราหลุดออกจากโลกของความคิดโลกของความฝันได้ เราไปจะมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงโลกของความเป็นจริงมีร่างกายมีจิตใจโลกของความเป็นจริงเป็นโลกที่อยู่กับปัจจุบันโลกในอดีตไม่ใช่ความจริงแล้วใช่ไหมหายไปหมดแล้วไปไกวฟ้ า, ปาไปทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นแล้วนอกจากนึกถึงอาศัยสัญญานึกถึงไม่ใช่ของจริงที่มีอยู่แล้วของจริงมันอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนี้นเราจะมาฝึกนะ จนกระทั่งจิตเราตื่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันพอเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวดูเขาทํางานไปเรื่อยๆทําใจสบายๆดูมันทํางานไปดูไปได้ช่วงหนึ่งจิตใจก็หมดแรงจิตใจฟุ้งซ่านไม่อยากดูกายไม่อยากดูใจแล้วอยากหนีไปอยู่ที่อื่นอย่างนี้จิตใจฟุ้งซ่านเราก็ต้องช่วยมันหน่อยให้มันได้พักผ่อน มาอยู่กับพุทธโธมาอยู่กับลมหายใจมาดูท้องของยุบมาทํากรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่เราคุ้นเคยแล้วเลือกเลือกกรรมฐานที่ว่าทําแล้วมีความสุขถ้าทําแล้วมีความเครียดนะไม่เอาอย่าไปเอาอย่างเพื่อนเราสมมติว่าเพื่อนเราถนัดดูจิตดูจิตแล้วก็มีความสุขก็ขรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาได้เราไม่ถนัดดูจิตแล้วก็ไม่ต้องไปดูอย่างเขานะ เราถนัดดูกายแล้วก็ดูกายถนัดดูเวทนาก็ดูเวทนากายก็มีให้ดูหลายแบบบางคนรู้ลมหายใจบางคนดูท้องพองยุบบางคนรู้อิทธิยาบทศีอะไรก็ได้นะถ้ารู้แล้วมีความสุขพอจิตใจมันมีความสุขในการรู้อารมณ์อันเดียวจิตใจจะสงบมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงเรากลับมาเจริญสติเจริญปัญญาต่อนะมาดูกายทางานมาดูใจทางานต่อไปอีก จะมีแรงขึ้นมาตอหลวงพ่อเป็นคาราวะาก็เหมือนพวกเรานะค า, าวาวเนี่มีปัญหาใหญ่ก็คือขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัตินี่จุดหนึ่งนะวิธีแก้ไม่ให้ขาดความต่อเนื่องก็คือมีวินยัยถึงเวลาปฏิบัติทุกวันทุกวันนะไม่ล้าเลยไม่มีข้อยกเวน้นตั้งใจไว้ทุกวันจะต้องภาวนาในนี้จะทําให้เราทําได้ต่อเนื่อง อีกจุดหนึ่งที่คาราวะาขาดแคลนนะก็คือสมาธิวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีเรื่องที่ต้องคิดมากมายนะใจมันจะฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาหาความสงบยากนี่เราต้องช่วยมันหน่อยนะหาเครื่องอยู่ให้จิตสักอันหนึ่งเลือกเอาคนไหนอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุโทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็ไปรู้ลมหายใจ คนไหนดูท้องฟองยุบมีความสุขไปดูท้องฟองยุบนะคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็ไปเดินจงกรมไม่ทําด้วยความเคร่งเครียดถ้าเครียดเราใช้ไม่ได้จิตจะไม่สงบนั้นะตอนหลวงพ่อเป็นค า, าวาะเนี่ยหลวงพ่อก็มีวิ น, นัยถึงเวลาภาวนาเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะแล้วทํามสมาธิไม่จริงเรารู้ลมหายใจแต่มีบางช่วงเวลาที่เจริญปัญญาไปมากๆากนะมันเผลอไปมันเจริญปัญญารวดไปนะ ลืมทำสมาธิพอลืมไปหลายๆวันสมาธิตกนะมันดูไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองะนะกําลังไม่พอแล้วก็มาทําความสงบขึ้นมาใหม่วิธีทําความสงบไม่ยากนะหาอารมณ์ที่สบายใจอย่างหลวงพ่อตอนหลังๆนี่ง่ายมากเลยจะให้จิตสงบนะั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าเฉายๆก็มีความสุขนะนึกถึงคุณงามความดีของท่านเวลากราบพระพุทธรูปหรือไม่มีพระพุทธรูปให้กราบนะไปที่ที่เขาไม่มีพระตั้งไว้ กลับลงไปที่พื้นดินเฉยๆนี่ก็ได้ทําใจว่าเราลังกราบอยู่แทบพระบาทของพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้ายืนอยู่ข้างหน้าเราเรากราบลงไปนะจิตใจจะมีปีติมีความสุขได้สมาธิขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะง่ายๆมีใจที่อ่อนน้อมมีใจที่คิดถึงพระพุทธเจ้าอ่อนโยนกับพระพุทธเจ้าแค่นี้ก็ได้สมาธิขึ้นมาแล้วนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกนะถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นอะไรไม่เป็นนะทําง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะ หลวงพ่อก็พยายามนะตอนแร ก, แรกใช้หลักว่าตอนไหนดูจิตได้ก็ดูจิตตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้นะทำความสงบไว้ทำสมถะไว้บางวันทำงานเหนื่อยมากงานต้องคิดตลอดเวลาเหนื่อยคิดจนหัวหมุนไปหมดแะ้ะเดินไปห้องน้ำคิดว่าต้องไปห้องน้ำแล้วสมควรแก่เวลาจะไปปัสสาวะอะไรเงี้ยขยับตัวนะ เราดูจิตไม่รู้เรื่องตอนนั้นเราจะทํางานหนักมาแล้วดูจิตไม่รู้เรื่องดูตายเลยก่อนที่จะลุกขึ้นยืนเนี่ยเราขยับมือก่อนคนอื่นเป็นหรือเ ป, ปล่าเพาไม่รู้นะเนีย่ยงหลวงพ่อเนี่ยนั่งเก้าอี้อยู่เวลาจะลุกขึ้นยืนเนี่ยจะขยับมือก่อนหรือคนอื่นขยับเท้าก่อนมีไหม้็ขยับเท้าก่อนหกล้มเลยนะขามันไปก่อนได้ยังไงตัวยังไม่ได้ไปไม่ต้องขยับตัวขึ้นมาก่อนใช่ไหมขยับมือล อ, ลองดูทิ่จิตไหมนะมองไปนั่งเก้าอี้ เนีขยับมือนะเราก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไหดูจิตไม่ได้ดูกายแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะถ้าจิตมีกําลังพอนะเห็นเลยว่าร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกําลังเคลื่อนไหวอยู่นี่เรากําลังเดินปัญญาด้วยการดูกายนะแต่ถ้ากําลังเราไม่พอจริงๆแค่เห็นร่างกายมันกําลังเคลื่อนไหวแค่นี้พอแล้เห็นร่างกายมันลุกขึ้นจากเก้าอี้เห็นร่างกายเดินไปห้องน้ําเห็นร่างกายไปยืนปัสสาวะอยู่นะ ยืนสองขาด้วยนะอืแหัวเรอะไรก็เรื่องปกติหรือใครก็ยืนสองขาเ <c oughs> นี่ยพอปัปสสาวะเสร็จใช่ไหมมีความสุขใครเคยปวดฉี่พอฉี่แล้วมีความสุขรู้สึกไหมเขาถึงเรื่องห้องสุขขานะเข้าไปแล้วมีความสุขตอนเข้าไปสศกโปรกยังไงก็เข้าไหวนะอะจําเป็นขึ้นมาเข้าเสร็จแล้วยึดตู้รีบหนีมีความสุขแล้ว ตอนที่จิตมันมีความสุขเนี่ยมันดูจิตได้แล้วเห็นความสุขโผล่ขึ้นมานะนี่กลับมาดูจิตได้แล้วตอนเดินกลับมาทํางานเนี่ยเดินเห็นจิตมันมีความสุขกลับมานะเดินแวะคุยกับเพื่อนสัหน่อยเนี่ยคุยแล้วสนุกเนี่ยสุขกับสนุกไม่เหมือนกันละเนี่ยสุขกับสนุกไม่เหมือนกันคุยไปแล้วก็ฟุ้งไปนิดหน่อยรู้ว่าฟุ้งซ้างกลับมาทํางาน เนี่ยฝึกไปอย่างนี้นะฝึกด <Con> <moi> ูของจริงเลยดูของจริงๆที่เกิดขึ้นกับเราตอนไหนรู้ตัวขึ้นมาแล้วตอนไหนดูจิตได้ดูจิตไปตอนไหนดูจิตไม่ออกดูกายนะตอนไหนดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทําสมถะทําอะไรไม่ได้จริงๆท่องพุทโธในใจไว้ก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธหางานอันหนึ่งมาทําไว้ไม่ใช่ปล่อยไม่ใช่ปล่อยไม่ต้องทําอะไรเลยบางคนเออเขาปล่อยวางปล่อยวางไม่ยึดถืออะไรสักอย่างว่างตลอดนะ มันก็ปล่อยสติหนีไปหมดขาดความรู้เนืรู้ตัวไปเลยเวลานี้ไม่ใช่เวลาปล่อยวางเวลานี้เวลาทํางานคือทํากรรมฐานทํากรรมฐานแล้วมีสติมีสมาธินะมีปัญญามีสติรู้ความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของกายของใจรู้จิตใจได้รู้จิตใจรู้จิตใจไม่ได้รู้กายนะมีสมาธิตอนไหนที่จิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วสมาธิที่เราใช้เป็นใช้ความตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู เห็นกายทํางานเห็นใจทํางานด้วยสติจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่สมาธิของเรามีกําลังมากช่วงไหนเราไม่มีแรงจริงๆนะทำสมาธิแบบสงบให้จิตนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวพักผ่อนอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้สมาธิมีสองอันหลวงพ่อสอนอยู่ทุกวันเลยเรื่องเนี้ยจําเป็นมากที่พวกเรานักปฏิบัติต้องเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจสมาธิสองอย่างนะเราจะเอาสมาธิชนิดสงบนี่ไปเจริญปัญญามันเจริญไม่ได้จริง สมาธิมันมีสองอันหลวงปู่เทศทขเรียฌานตัวหนึ่งเรียกสมาธิตัวหนึ่งถ้าพูดภาษาปริยัติฌานที่หลวงปู่เทศเรียกเนี่ยคืออารัมมณูปนิชฌานสมาธิที่หลวงปู่เทศเรียกคือลักคนูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานเป็นการเท่งจิตอยู่ในอารมณ์เดียวจิตไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์อื่นจิตมีความสุขมีความสงบนนี้เอาไว้พักผ่อนให้มีเรี่ยวมีแรง ถ้ามีเรียกมีแรงแล้วอย่าติดอยู่แค่ความสุขความสงบนะค่อยๆสังเกตไปร่างกายที่น <ce> on ั่งสมาธิอย kind of right. ู่เป็นของถูกรู้ถูกดูใจเป็นผู้รู้ผู้ดูค่อยฝึกอย่างนี้ก็ได้นั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเห็นเลยความปวดความเมื่อยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างนี้ก็ได้นั่งไปนั่งมายูงมาปัดโมโหเห็นความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูใจเป็นผู้รู้ผู้ดูหัดอย่างนี้ก็ได้ หรือจะหัดแบบรวบย่อเลยจิต น, นี้ไปคิดแล้วรู้จิต น, นี้ไปคิดแล้วรู้นะคือจิตมันแอบไปฝันกลางวันนะ่ะจิตมันหนีไปคิดนะถ้าเรารู้ทันนจิตก็ตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมัน่นนะไม่ใช่สมาธิที่สงบสมาธิมีสองอันนะสงบพักผ่อนอยู่เฉยๆกับตั้งมั่นเพื่อเอาไว้เดินปัญญาสมาธิมีสองชนิดถ้าเราไม่รู้จักตัวนี้แล้วก็เราไปเจริญปัญญาด้วยจิตซึ่งไม่มีความตั้งมั่น ยกตัวอย่างบางคนไปเจริญตัญญานะไปเดินจงกรมหรือไปดูท้องผองยุบไปดูลมหายใจแต่จิตไม่ตั้งมั่นพอไปดูลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นแนบอยู่ที่ลมหายใจอันนี้คือจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้แต่ความสุขความสงบบางคนดูท้องผองยุบจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องเป็นแนบอยู่ที่ท้องไปรวมอยู่ที่ท้องเป็นอันเดียวกับท้องอันนี้ได้ความสุขได้ความสงบนะไม่ใช่ตั้งมั่น ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้ารู้หมดเลยพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งรู้หมดเลยนี่รู้เกินกายออกไปกรู้ไปถึงพื้นไม่รู้ไปรู้ทําอะไรนะไม่มีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราอยู่แล้วนะนี่อุตส่าห์ดูไปจนถึงพื้นเลยพื้นนี้เย็นพื้นนี้ร้อนนี่แสดงว่าไม่เที่ยงอะไรอย่างงี้ไกลไปนะอย่าให้เกินกายของตัวเองออกไปดูก็ดูเข้ามาในกายนี่ไม่ดูเกินกายออกไปเสียเวลานะยั้น ถ้าจิตรเราไหลลงไปอยู่ที่เท้ารู้ทันจิตทะลุเท้าไปอยู่ที่พื้นรู้ทันะจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูได้มันจะเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นเหมือนร่างกายคนอื่นเนหมือนอุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่กําลังหายใจอยู่ร่างกายที่เดินที่นั่งที่นอนนะที่ยืนอยู่เหมือนคนอื่นเราเห็นเหมือนคนอื่นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มันจะเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราจะเห็นอย่างนี้เรื่อยๆไป หรือบางทีก็เห็นนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายก็เห็นอีกความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาแล้วไม่ใช่ร่างกายด้วยนี่หัดอย่างนี้เรื่อยไปน้ําจะเดินปัญญาต่อไปได้เราจะเห็นเลยว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราบุญสนก็ไม่ใช่ตัวเราความโลภความเกลีดความหลงก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวะธรรมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่และต้องมีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนะ การที่เรามีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูเรื่องจิตเราตั้งมั่นจิตมันจะรู้มันจะตื่นมันจะเบิกบานมันจะอิ่มเอิบในขณะที่เกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นในชีวิตอย่างหลวงพ่อเองนะตอนตอนพ่อของหลวงพ่อตายเราไม่เศร้าโศกสักนิดเลยนะจิตเบิกบานไม่ได้เบิกบานว่าจะได้มรดกนะแต่เบิกบานว่าธรรมะนี่ของจริงพระพุทธเจ้าสอนความจริงนะว่าคนเกิดแล้วตาย เนีพ่อกําลังแสดงธรรมะให้เราดูแสดงความเจ็บแสดงความตายให้ดูวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยใจมันไปดูอย่างนี้นะใจมันร่าเริงใจมันเบิกบานเหมือนนักรบเข้าสมรภูมินะแต่นี้อเผอิญคนอื่นเขารบเราไปดูสนุกดีเหมือนดูเขายิงกันอ่ะนะถ้าวันที่เราต้องรบเองไม่รู้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าเพไม่แน่เหมือนกันหรอกนะถ้าเกิดมาอีกก็มาเจอกันอีกนะถ้าไม่เกิดแล้วก็แล้วกันไปะ เนี่ยจิตใจนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะจิตใจมีความสุขมีความเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานอยู่เรื่อยแล้วการที่เราหัดมีสติรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางบางช่วงหมดแรงหมดแรงก็รู้ไม่ได้จิตมันไหลเวลามีแรงนะจิตมันก็แยกออกจากกายเวลาหมดแรงจิตกับกายก็เข้าไปรวมกันอีกจิตไปรวมกับลมหายใจบ้างไปรวมกับท้องบ้างไปรวมกับความทุกขความสุขบ้าง ไปรวมกับกิเลสบ้างนะพอมีแรงขึ้นมาก็แยกออกมาอีกพอมดแรงก็เข้าไปรวมกันอีกใครเป็นบ้างมีไหมยกมือซินะปลุกปลุโปรยโป ร, ป ร, ป ร, ปรอย่างนี้เนาะนะแรงมันมันแรงตกได้นะช่วงไหนแรงตกจริงๆไม่รู้จะทํำยังไงทําความสงบไหมนึกถึงพระพุทธเจ้าไปพุทโธพุโทโธไปนึกถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะมีความสุขขึ้นมาเมื่อไหร่จิตก็มีปีติมีความสุขนะเรารู้ว่ามีปีติรู้ว่ามีความสุขเนี่ยกลับมาดูจิตได้แล้วกลับมาแล้ว เรียบร้อยแล้วแค่มีความสุขมีปิติฟุดขึ้นมาเรารู้ทันก็แค่นั้นแหละกลับมาดูจิตเรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่ต้องไปทําอะไรพ่ลึกพิลึกทาอะไรยุ่งยากไม่ยากนะนี่เราหัดดูไปเรื่อยต่อไปใจเรายิ่งมีกําลังนะสติสมาธิปัญญาแกะกล้าขึ้นเรื่อยๆศีน ส, สมาธิปัญญาก็ดีขึ้นก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาศีต้องมีแน่นอนนะมีสติมีสมาธิปัญญานะจิตใจต้องมีความสุขมีความสงบนะ ใจิตใจตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานมีปัญญาก็เห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจเห็นโลกไม่ว่าเห็นโลกคําว่าโลกก็คือรูปนามนี่เองที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าโลกเมื้นโลกเนี่ยสิ่งที่ท่านบัญญัติว่าโลกคืออะไรคือร่างกายนะที่ยาวประมาณหนึ่งวาหนาประมาณหนึ่งคืบกว้างประมาณหนึ่งศอกมีสัญญาและใจครองอยู่อย่างนี้ ย, เ, ยเรียกว่าโลกถ้าตายแล้ว ไม่มีสัญญาได้ใจคลองไม่เรียกว่าโลกแล้วเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุเป็นดินเป็นอะไรงั้นไปเนี่ยเราจะรู้โลกแจมแจ้งนะเราจะรู้โลกแจมแจ้งถ้เรามาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไปเข้าใจความเป็นจริงของกายเข้าใจความเป็นจริงของใจความรู้ความเข้าใจมันจะพัฒนาเป็นลําดับลําดับไปเป็นขั้นขั้นไปเบื้องต้นถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเรื่อยไปนะในเบื้องต้นปัญญามจะเกิด จะเห็นว่าตัวเราที่แท้จริงไม่มีมีแต่ของที่เกิดแล้วดับนะมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่เป็นอมตะนะการที่เห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับกระทั่งจิตใจของเราเองเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันจะสะท้อนให้เห็นเลยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวลนะจะละสักกายทิฏฐิได้นะแค่เห็นอนิจจังก็ละสักกายทิฏฐิได้เห็นเป็นตัวทุกข์นะ ทั้รูปทั้งนามที่มีอยู่เนี่ยอยู่ชั่วคราวถูกบีบคั้นตลอดเวลาทนอยู่ไม่ได้จริงมันเป็นทุกข์เห็นอย่างนี้ก็เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงบางคนก็เห็นอนัตตาเห็นรูปประธรรมไม่ใช่เราเห็นนามธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีเห็นตรงตรงเข้าไปเลยว่าไม่มีนะอย่างนี้ก็เห็นอย่างนี้ก็ได้ก็นะะจะล้างความเห็นผิดนะว่ามีตัวตนถาวนเพราะเรารู้ว่าไม่มีตัวตนถาวรไม่มีสิ่งที่เป็นอมตะ ไม่มีสิ่งที่เป็นอมตะในกายในใจนี้ในนี้ล้างสักยัติทิพีไปเป็นปัญญาเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นรู้ว่าไม่มีตัวเราในรูปในนามนี้ไม่มีตัวเรานอกจากรูปจากนามนี้อีกเกิดรูปเกิดนามไปยิ่งไม่ใช่ตัวเราใหญ่ในรูปในนามนี้ยังไม่ใช่ตัวเราเลยแล้วก็ไม่มีตัวเราแฝงอยู่ในรูปในนามด้วยตัวรูปตัวนามก็ไม่ใช่เราแล้วไม่มีเราแฝงอยู่ในตัวรูปตัวนามนี้อีก จะเห็นอย่างนี้นะนี่เป็นปัญญาเบื้องต้นแล้วก็มาภาวนาต่อมาถึงตรงนี้ได้ก็เริ่มเข้าจุดที่ปลอดภัยจุดที่ปลอดภัยเหมือนคนที่ตกน้ําอยู่กลางทะเลแต่เดิมไม่รู้เลยว่าฝั่งอยู่ทางไหนอยู่ในทะเลลึกมากมองไม่เห็นฝั่งตอนนี้รู้แล้วว่าฝั่งอยู่ทางนี้มองเห็นฝั่งนะคนที่มองเห็นฝั่งเขาเรียกท่าโสดาบันท่าโซดาบันมองเห็นฝั่งแล้วมองเห็นท่านิพพานนั่นเองวันหนึ่งจะต้องไปถึงท่านิพพานได้ มาภาวนาต่อมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางปฏิบัติเหมือนเดิมนั่นแหละนะและสติมันเร็วขึ้นสมาธิมันค่อยดีขึ้นนะปัญญามันก็เข้าใจเห็นทุกอย่างเกิดระดับเกิดระดับทียิบไปเลยนะสติก็ไวเผลอแวบรู้สึกแวบรู้สึกไม่เผลอยาวนะถ้าเผลอยาวเป็นวันๆนะไม่ใช่พระโสดาหรอกนะเป็นพระโสดาอะไรที่เขาว่าแหละนะไม่ใช่โสดาหรอกนะ นี่พอเราฝึกนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางนะพอไปเนี่ยจิตไหลแวบก็รู้สึกแวบรู้สึกจิตจะตั้งมั่นมากขึ้นนะสมาธิจะดีขึ้นนะสมาธิจะดีขึ้นปัญญายังเหมือนเดิมเห็นแต่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปนะเนี่ยพระสกทาคานะมีศีลบริบูรณ์บริบูรณ์มาตั้งแต่เป็นพระโสดาบัมีสมาธิปานกลางสมาธิปานกลางก็คือจิตมันตั้งมั่นมาก ไหลแวบก็รู้สึกแวบรู้สึกไม่หลายนานหรอกไม่ลงเป็นนานไปคลุกอยู่กับโลกนานนไปแช่อยู่ในกามนานนไม่เป็นไม่กิเลสมันอ่อนนะกามมันอ่อนรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพลาทั้งหลายมายั่วให้ใจไปคเคล้าเคลียได้นานๆนานเนี่ยยั่วไม่ได้นีมันยั่วไม่ได้สติปัญญามันเร็วเห็นแว บ, บก็รู้สึกแล้วนะเนี่ยจิตใจมีสมาธิมากขึ้นเมีสมาธิปัานกลางนะต่อมาพระโสดาเนี่ยท่านเทียบ เหมือนคนพระโสดาเนี่ยเห็นเห็นฝั่งแล้วว่าอยู่ทางไหนพระสกถาคาเนี่ยคือคนที่เริ่มไหา้นาำเข้าฝั่งใกล้เข้าไปทีละน้อยทีละน้อยนะถ้าโสดาเห็นแล้วฝั่งอยู่ทางนี้เองก็ค่อยๆว่ายไปไหว้ไปะวันหนึ่งจะถึงฝั่งนะถึงฝั่งบางคนว่ายเจ็ดชาติก็ถึงคนไม่ถึงเจ็ดชาติถ้าถ้าเริ่มเห็นฝั่งอะนะก็ไหว้ไปแต่ถ้าไหวยแล้วท่านบอกไม่เกินชาติหนึ่งนะสกตาคา กลับมาอย่างมากก็อีกครั้งเดียวก็ไหวไปเรื่อยก็คือวิธีไหว้นาำก็คือทํำยังไงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางวิธีมองหาฝั่งทํำยังไงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะแล้วรู้ฝั่งลนะ้ว หรู้ฝั่งแล้วก็ว่ายน้ําไปก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นเองแต่รู้ได้จิตที่ตั้งมั่นได้เป็นกลางทําไมหลวงพ่อต้องย้าตัวนี้ใช่ไหมคือสมัยก่อนหลวงพ่อเข้าไปตามสํานักปฏิบัติไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่ามันแฟกอ่ะไม่ค่อยมีคนรู้สึกตัวมีแต่คนทําสมาธิเคลิมเคลิมลืมเนื้อลืมตัวนะเห็นโน้นเห็นนี่ยิ่งดีซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องดีไปเห็นอะไรข้างนอกต้องเห็นกิเลสตัวเองแลดีที่สุดเลยเห็นกายเห็นใจของตัวเองอันดีที่สุด นี่มันต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะนี่เราก็ฝึกต่อพอเรามีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นใละเป็นกลางมากเข้ามากเข้านะปัญญามันแก่กล้าขึ้นปัญญาไม่ใช่ปัญญาเล็กน้อยเหมือนเดิมแนละ้วปัญญาเล็กน้อยคือเห็นว่าตัวเราไม่มีต่อมาจะเกิดปัญญาอีกชนิดหนึ่งขึ้นมามันจะรู้เลยว่าถ้าจิตมีความอยากถ้าจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์ จิตไม่มีความอยากจิตไม่มีความยึดจ mm ิตไม่มีความทุกข์จะเห็นตรงนี้นะจิตเฉะนั Não, unless, me, ้นตัวจิตผู้รู้ซึ่งมันไม่ได้มีความอยากความยึดอะไรมันเป็นแค่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยหมามันเป็นตัวดีตัวพิเศษเลยถ้ามันหลุดออกไปเป็นจิตผู้คิดเมื่อไหร่นะมันทุกข์เมื่อนั้นเลยนี่จะเห็นอย่างนี้นะเมื่อไหร่เป็นจิตผู้รู้เมื่อนั้นดีเมื่อไหร่เป็นจิตผู้คิดเมื่อนั้นไม่ดีเมื่อไหร่เป็นจิตผู้รู้เมื่อนั้นมีความสุขนะเมื่อไหร่เป็นจิตผู้คิดเมื่อนั้นไม่สุขเมื่อไรรเป็นจิตผูู้้ มีความสงบเมื่อไรเป็นจิตผู้คิดฟุ้งซ่านไปไม่ดีจะชอบจิตที่เป็นผู้รู้รักตัวผู้รูนะ้เมื่อมันรักจิตที่เป็นผู้รู้นะไม่ชอบจิตที่ฟุ้งซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะไม่ติดอกติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในบทถ้าภาคร่งหลายภายนอกนะรู้เลยถ้าจิตหลงไปคลุกกับมันเมื่อไหร่จิตจะทุกข์เมื่อนั้นนะไปดูหนังไปฟังเพลงไปอะไรเคยมีความสุขจะไม่มีความสุขแล้วจะเห็นว่าไร้สาระที่สุดเลย พวกเราหลายคนที่ภาวนารู้สึกไหมตอนนี้โลกจืดๆรู้สึกไหมไร้สาระรู้สึกไหมแต่บางทีก็ยังมีสาระอีกใช่ไหมวันนี้ไร้สาระนะวันหน้ายังมีอีกมันเสื่อมได้อีกนะเพราะมยังไม่ได้ตัดด้วยมรักนะมันตัดด้วยสติสมาธิปัญญาธรรมดาธรรมดายังไม่ถึงขั้นที่มรักมันตัดนะถ้ามรักตัดตัดแล้วตัดเลยนะไม่ต้องมาตัดซ้ําอีกแล้วเพาเราปรโ ป, ปรโผลโนะ วันนี้ก็เจิดเลยอีวันหนึ่งจืดก็อร่อยดีเหมือนกันเ <networking> นี่ยพอเราพานานะพอเห็นเลยโอ้โลกข้างนอกไร้สาระรูปเสียงกลิ่นรสสัตภะเนี่ยนะถ้าไปยุ่งกับมันมีแต่ความทุกข์นั้นจิตไม่ได้ยินดียินรายกับรูปเสียงกลิ่นรสสัตว์ะและ้วแต่มายินดีพอใจในตัวผู้รู้นี่เป็นปัญญาปานกลางนะรู้เลยว่าถ้าไปยุ่งกับโลกนั้นจะทุกข์ถ้าอยู่กับรู้เนี่ยไม่ทุกข์นะนั้นใจจะอยู่กับรู้สมาธิบริบูรณ์เลยนะ พระนาคาท่านบอกศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาปานกลางสมาธิบริบูรณ์จิตใจไม่ไหลไม่ไปหาความเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วใจตั้งมั่นสมาธิบริบูรณ์พระนาคาทุ่องค์ทรงชานไหมเข้าชานตลอดไหมแล้วทําไมบอกพระนาคาสมาธิบริบูรณ์เพราะลักคนูปนิชฌาดนดะีอารามปนูปนิชฌาน ต้องซ้อมถ้าไม่ซ้อมก็ไม่ชํานาญไม่เป็นวาสนะีงั้นสมาธิที่บริบูรณ์นะคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นนี่สัางารไม่ใช่จิตที่สงบนะงั้นครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีท่านนั่งสมาธิบางทีท่านเดินจงกรมนะเคยมีคนไปถามว่าท่านทําไปทําไมนะก็ท่านไม่มีกิเลสแล้วท่านทําไปทําไมท่านบอกว่ามันของเสื่อมต้องซ้อมเอาไว้ใช้ท่านซ้อมอะไรเอาไว้ใช้ซ้อมสมาธิเอาไว้ใช้แมนะ้สมาธิชนิดที่ สงบนั่นแหละนะถ้าเราภาวนาไม่เป็นนะเราอ่านธรรมะต้องงงนะเนี่ยทำไมตำราบอกแค่อนาคาก็สมาธิบริบูรณ์แล้วครูบาอาจารย์ที่เราเชื่อว่าท่านไม่มีกิเลสแล้วทําไมท่านบอกสมาธินเป็นของเสื่อมอ่ะของเสื่อมมันก็ไม่บริบูรณ์สิมันคนละตัวกันสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานตัวนี้ไม่หลงไปไหนเลยนะมันรู้ว่าถ้าไหลาจากตรงนี้ไปแล้วทุกมันเลยไม่ไปมันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน แต่บางทีก็หมดแรงเหนื่อยหมดแรงเหนื่อยนะจะรู้จะเห็นอะไรนี้ไม่ชัดเจนต้องซ้อมสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่สงบแล้วทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมานะจะรู้จะเห็นอะไรนียชำนิชำนาญจะใช้สติใช้ปัญญาอะไรก็ว่องไวขึ้นมาสมาธิคนละตัวนะระวังถัดจากนั้นทำยังไงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง แต่ความจริงตอนเนี้ยมันลดระดับลงแล้วคล้ายๆเครื่องบินใกล้จะแตะลันเวละ่ะมันไม่ใช่ต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมันแค่มีสติรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเพราะกายเนี่ยแจ้งแล้วกายนี้เป็นกล้องก้อนทุกข์นะสิ่งที่เรียกว่ากายคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละไอ้ตัวที่ออกไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโถดธัพพาทั้งหลายนั่นเองเรเห็นนั่นมปนได้เรื่องเป็นแต่ตัวทุกข์นะ จิตแจ้งในกายจิตไม่เอล่ละจิตพิ้งกายเวลาจะมารักษาตัวผู้รู้ไว้อันเดียวนี่เราภาวนาไปด้วยนะมีสติรู้จิตใจนี่แหละดูยังไงมันก็มีแต่ความสุขะตัวผู้รู้นี่เป็นของดีของวิเศษเหลือเกินนะดูแล้วมีความสุขสมัยหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่นะไปหาหลวงปู่ดูลนะ่ะท่านนั่งเก้าอี้นะเก้าอี้โยกคนเราก็โยกไปถวายท่านท่านก็อุตส่าห์นั่งให้เขานะ แต่ท่านต้องเอาเท้ายันพื้นไว้กลัวมันโยกนะ ท, นท่านพูดเท่าแล้วไปนั่งโยกเล่นท่านโค้งเวียนหัวะะท่านเอาเท้ายันพื้นไว้นะขัดขาก็ยี่ไว้อ่ะเราก็รู้สึกว่าท่านนางสงสารเนาะท่านคอยยันยันแล้วคนก็เป็นห่วงเห็นท่านแก่นะเอาไม้เท้าไปถวายอันเบลล์เลยนะไม้เท้าหัวมังกรด้วยนะเหมือนที่สวนสันติธรรมที่ทําไว้นั่นแหละเวลาท่านไปไหนมาไหนนะท่านก็หิ้วไม้เท้าไปไม่เคยยันนะต้องแบกไม้เท้าไปด้วยเลย ถามหลวงปู่ทาไมต้องไปยกไม้เท้าไก็<笑><笑>เขาเอามาถวายสงสารเขาไหนไหนก็แบกไปเราเลยสงสารท่านจริงจริงวันหนึ่งไปนั่งอยู่กับท่าน่ะท่านก็บอกให้ก็ปราบล็อธรรมะใหม้มาหลวงปู่โดนนี่แปลกอย่างนะหรือครูบาอาจารย์อื่นก็เหมือนกันนะอยู่ๆถ้าเราอยากฟังของดีของวิเศษเนี่ยอยู่ๆไปนั่งถามเนี่ยไม่ค่อยพูดหรอกไม่ค่อยบอกหรอก แต่ถ้าเราไม่ไม่ไปยุ่งกับท่านนะเรานั่งสมาธิทำจิตใจของเราสํมรวมของเราไปด้วยบางทีท่านก็ถ่ายทอดธรรมะของท่านออกมาเล่าอะไรจะได้ของดีของวิเศษก็ตรงที่เราไปนั่งนิ่งๆอยู่กับท่านนี่แหละเดี๋ยวท่านบอกเองละ่ะหลวงปู ด, ดูลเป็นพระที่ไม่พูดมากนะแต่ว่าพอพูดเนี่ยน่าฟังมีวันหนึ่งท่านบอกเลยบอกว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ว่าเก่งๆนะส่วนมากไปเป็นผีใหญ่ ท่านพูดแค่นี้เป็นผีใหญ่ผี่ใหญ่คือไปเป็นพรหมนะคือทําแต่สมาธินะจิตไปถึงตัวผู้รู้นะถึงเป็นร่านาคานะก็ามาอยู่ตรงเนี้มารักษาตัวผู้รู้ไว้มาห่วงแหนตัวผู้รู้ไว้เอาตัวผู้รู้เป็นที่ฝากเป็นฝักตายนะห่วงที่สุดเลยรักที่สุดเลยคือตัวผู้รู้เพราะเมื่อไหร่เป็นตัวผู้คิดนะก็เมื่อนั้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นตัวผู้รู้ไม่มีความสุขอ่ะก็เลยยินดีพอใจในภพ ที่มีตัวผู้รู้เป็นพบพบหนึ่งนะแล้วดูไม่ออกหรอกจะนึกว่านี่แหละที่สุดของการปฏิบัติที่สุดของทุกอยู่ตรงนี้เองที่สุดของทุกอยู่ตรงที่เราไม่ยึดในกายนี่เองะแต่จิตเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บักบานนี่แหละเป็นตัวสุขเป็นที่พึ่งที่อาศัยนี่ท่านบอกนะท่านไม่จะบอกละเอียดแค่เนี้ยท่านปลาลกขึ้นมาว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ว่าภาวนาดีๆนะเป็นผีใหญ่ท่านว่าอย่างนี้นะแล้วนี่ท่านพูดคราวนี้จบไปอีกคราวหนึ่ง แล้วก็ผ่านมาอีกนานเลยเกือบปีตอนท่านใกลอมรณภาพนะไปกราบท่านท่านก็เทศเทศไปสุดท้ายท่านก็สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ท่านสอนมาถึงตรงนี้ด้วยถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังนะเราจะไปเอาตัวผู้รู้เพราะมันมีความสุขเรารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ดีในที่สุดเราต้องไปเป็นผีใหญ่นะจะต้องไปเป็นผีใหญ่กันทุกคนทุกคน ผีใหญ่ขับฟ้าเต็มเยอะเลยนะทําไงเราจะไม่ยึดตัวจิตไม่ยึดตัวผู้รู้ได้นะหลวงพ่อพูดเธเทศน์สอนนะหลวงพ่อไม่ได้รู้เองหรอกครูบาอาจารย์ท่านสอนจําท่านมาเล่าให้ฟังนะหลวงพ่อพูดท่านบอกเลยถ้าเห็นตัวจิตนะนะมันเป็นใจรักนะเห็นใจรักมันจะวางนะจะวางงั้นเราภาวนานะเราเห็นตัวผู้รู้แล้ว ภานาพอเป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เป็นผู้หลงเป็นผู้รู้นะฝึกนี้มาเรื่อยนจนถึงเป็นพระนาคามีแต่ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ที่สว่างสว่างกับผู้รู้ที่มัวหน่อยหนึ่งผู้รู้ที่สว่างสว่างกับผู้รู้ที่มัวหน่อยหนึ่งนะไม่ใช่ผู้รู้กับผู้หลงแล้วนะนะสมาธิใ่ทรงเด่นดวงอย่างไม่ค่อยหลงหรอกนะอย่างมากก็มีแยบแยบแวบแวบเดียวเร็วว่าฟ้าแลบอีกก็กลับมาแล้วรู้สึกล้ ถ้าเราภาวนาเราไม่นิ่งนอนใจว่าที่สุดของทุกข์อยู่ตรงที่จิตผู้รู้เราเพื่ดูไปตัวจิตผู้รู้เองก็ยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์มันสว่างได้มันก็มืดได้อีกมันผ่องใสได้มันยังเศร้าหมองได้อีกมีแต่ความไม่เที่ยงนะมีแต่ความไม่เที่ยงบางทีบางท่านภาวนาอยู่จิตตัวผู้รู้มีแต่ความสุขล้วนๆเลยภาวนาไปภาวนาไปนะอยู่ๆตัวผู้รู้มันพลิกตัว เชื่อว่ามันพลิกก็ไม่เฉื่งพลิกนะมันคล้ายๆมันไหววับขึ้นมานะมันจะรู้สึกเลยว่าตัวตัวผู้รู้ที่ว่าเป็นตัวสุขอนะจริงๆเป็นตัวทุกข์พอรู้สึกว่าตัวผู้รู้เป็นตัวทุกข์แล้วผู้ปฏิบัติก็รู้ลงไปที่ตัวผู้รู้ทันทีเลยอัตโนมัติเลยเพราะที่พวกเราเคยฝึกเนี่ยพอมีอะไรแปลกปลอมขึ้นที่จิตมันจะดูเลยนึกออกไหมพอตัวผู้รู้กลายเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสติมันโดดใส่เลย สมาธิปัญญานี่ไปรวมอยู่ที่ตัวผู้รู้เลยไปดูเอ๊ะทำยังไงทําไมมันเศร้าหมองขึ้นมาได้จะต้องหาทางแก้นะเพราะอะไรต้องแก้เพราะตัวผู้รู้นี่แหละเป็นที่ฝากเป็นฝักตายของเราหวงเหนที่สุดเลยนะงั้นจะต้องหาทางแก้ไขแต่แก้ยังไงก็แก้ไม่ตกนะพยายามเท่าไหร่เท่าไหร่นะแทนที่ว่าพอรู้ปั๊บแล้วมันจะหายไปเหมือนกิเลสหยาบหยา บ, ยาบอื่นๆมันไม่หายแล้นะมันกลายเป็นตัวทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น แล้จริงๆตัวทุกตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กิเลสนะตัวทุกมันไม่ใช่กิเลสเนี่ยนะเป็นสภาวะแท้ๆของตัวจิตนะเป็นตัวทุกนะดูยังไงก็ไม่หายเหมือนดูไฟอะดูยังไงมันก็ไม่หายร้อนนะมันก็ต้องร้อนอยู่อย่างนั้นเองนะดูไปเรื่อยนะจนกระทั่งเหมือนจะตยายอเลยแล้วทนเอาครูบาอาจารย์บางทีท่านถึงสอนบอกว่านิพพานอยู่ฟากตายนะนิพพานอยู่ฟากตายแลทนเอาตายก็ตายตายแล้วก็ไม่เลิกปฏิบัติ เฝ้ารู้อยู่ดูลงไปเรื่อยไม่ให้จิตสลําลงไปดูด้วยนะจิตตั้งมั่นแล้วดูมันก็ไปสู้ตายมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่าถ้าดูต่อไปเนี่ยตายแน่ตายก็ตายถึงจนนั้นนะกูบาอาจารย์ท่านเคยสอนไวอย่างนี้บางท่านท่านเห็นว่ามันเป็นอนัตตานี่พวกบางท่านเห็นเป็นอนิจจังมันเศร้าหมองแล้วผ่องใสผ่องใสแล้วเศร้าหมองมันไม่เที่ยงท่านก็เลิกยึดมันไปตัวผู้รู้นี่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เพราะว่ามันยังมีหมองได้ นีท่านเห็นอย่างนี้ท่านไม่ยึดมันนะพอไม่ยึดมันไม่มีอะไรให้หยึดอีกแล้วในโลกนี้เพราะสิ่งสุดท้ายที่ยึดไว้ก็คือตัวผู้รู้นั่นเองบางท่านเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ก็ยอมทิ้งไปบางท่านเห็นเป็นอนัตตาไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรที่จะเอาไวนะ้ท่านโยนทิ้งไปเลยวางไปสลัดคืนให้โลกไปนะแล้วทําลายตัวรู้ไปวิธีทําลายตัวรู้เห็นไตรลับนั่นเองนะเห็นตัวรู้เป็นใจลับเห็นด้วยจิตด้วยใจจริงๆนะงั้นการภาวนานะพวกเราอย่าทิ้งหลัก ให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปสติทำยังไงสติจะเกิดต้องฝึกฝึกแล้วก็ต้องมารู้กายรู้ใจแล้วต้องรู้ให้ตามความเป็นจริงด้วยแล้วต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยฟังแล้วมีหลายเงื่อนไขใช่มเราต้องค่อยๆฝึกขึ้นมาวิธีฝึกให้มีสตินะสติเป็นตัวระลึกได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจต้องหัดระลึก ถ้าเมื่อไหร่มีอะไรเกิดขึ้นในกายร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายที่หายใจทั้งวันเลยหัดรู้สึกไปเรื่อยทีแรกก็รู้บ้างเกลือบ้างนะต่อไปพอชํานาญเนี่ยพอร่างกายหายใจมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาเองโดยไม่ได้เจตนารู้สึกเลยหรือบางคนดูร่างกายยืนเดิน น, นังน่ง น, นอนดูไปเรื่อยทุกวันทุกวันคอยหัดรู้หัดดูร่างกายยืนก็รู้สึกร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกเรืยไป เรรู้สึกมากเข้ามากเข้าต่อไปเฝือตัวอยู่พอร่างกายขยับปั๊บเนี่ยสติเกิดเองเลยนี่เราต้องฝึกนะจนกระทั่งสติอัตโนมัติเกิดขึ้นหรือจะดูจิตดูใจก็ได้หัดดูไปจิตมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้จิตมีกิริยาอาการอะไรเกิดขึ้นก็รู้ดูจิตเราดูสองอันนะอันนึงดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นมีความสุกมีความทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลนี่ดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดในจิต อีกอันดูกิริยาอาการของจิตเช่นจิตมันวิ่งไปที่ตาจิตมันวิ่งไปที่หูจิตมันวิ่งไปชิดวิ่งไปเพ่งจิตไปทำโนอนจิตไปทำนี้รู้ทันอย่างนี้ก็เรียกว่าดูจิตอยู่เหมือนกันนะนั้นดูจิตเราดู2องอันนะดูความรู้สึกกับดูกิริยาอาการของจิตนะหัดรู้หัดรู้หัดดูบ่อยๆนะต่อไปพอจิตมันขยับตัวปั๊บเนี่ยสติเกิดเองเลยเลยต้องฝึกจนถึงขั้นที่สติเกิดเองนะไม่ได้จงใจจะรู้ก็รู้ขึ้นได้เองต้องฝึกให้ได้ตรงนี้ วิธีฝึกให้ได้ตรงนี้ก็หัดรู้บ่อยๆนะทาไมต้องฝึกจนอัตโนมัติเพราะเวลาที่อริยมรรคจะเกิดนั้นนะสติต้องอัตโนมัติถ้าจงใจยังระลึกรู้จงใจไปรู้จิตจงใจไปรู้น้นรู้เนี่ยอริยมรรคจะไม่เกิดนะสมาธิก็เหมือนกันต้องฝึกจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยต้องฝึกช่วงไหนไม่มีแรงทําความสงบมีแรงแล้วค่อยหัดแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์นะ จิตหนีไปรู้จิตหนีไปรู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นได้เป็นผู้รู้ขึ้นมาต้องฝึกจนกระทั่งพอจิตไหลไปแวบรู้ทันเองนะจิตตื่นไหลแวบรู้ทันแล้วตื่นฝึกอย่างนี้นะจนอัตโนมัติในขณะที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะรู้ตื่นอยู่อย่างนั้นนะโดยไม่ได้จงใจนะถ้ายังจงใจอยู่อริยมรรคไม่เกิดนะสติจงใจให้เกิดอริยมรรคก็ไม่เกิดสมาธิจงใจให้เกิดอริยมรรคก็ไม่เกิดนะปัญญาต้องเห็นใจรัก ต้อ เ, เห็นใจรักพวกเราเวลาเห็นสภาวะเราไม่ค่อยเห็นใจรักแต่เราจะเข้าไปแทรกแซงสภาวะะเช่นเห็นความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้หายอยากไหมเ อ, อเห็นความสุขเกิดขึ้นอยากให้อยู่นานๆวันนี้รู้ตัวดีอยากให้รู้ตัวตลอดชาติรู้สึกไหมวันนี้จิตเศร้าหมองอุ้ยจิตเสื่อมตีโพยตีภายมห า, หาหลวงพ่อหลวงพ่อหนูจิตเสื่อมหมดแล้วหนูต้องการกำลังใจไปฟังเพลงกำลังใจไป อ, อ ถ้าอ่อนแออย่างนั้นนะอย่ามาเป็นรู้สิกเราเลยเจริญก็ให้รู้ทันนะเสื่อมก็ให้รู้ทันเป็นกลางกับมันไหมตัวสําคัญอยู่ที่เป็นกลางกับมันได้ไหมนะงั้นเรารู้สภาวะนะรู้อย่างเป็นกลางไปด้วยนะรู้ด้วยจิตที่ตื่นรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่ถลำลงไปรู้รู้ด้วยจิตที่เป็นกลางรู้แล้วไม่หลงยินดีรู้แล้วไม่หลงยินร้ายถ้าจิตมันยินดีขึ้นมารู้ทันถ้าจิตมันยินร้ายขึ้นมารู้ทันนะหัดไปอย่างนี้เรื่อยๆสุดท้ายสติสมาธิปัญญานะจะแก่รอบ ถ, wow. ถ้าถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้รูปรู้นามเห็นความเป็นใจลักษณ์ไม่เข้าไปแทรกแสงนะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางจิตที่ไปแทรกแสงก็คือจิตมันไม่เป็นกลางนั่นแหละจิตที่ตั้งมั่นก็ถล่มลงไปรู้จิตที่ไม่เป็นกลางก็จะเข้าไปแทรกแสงสภาวะแล้นเราต้องรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นรู้โดยไม่ถล่มเข้าไปรู้รู้โดยไม่แทรกแสงพวกเราเวลาภาวนาเวลารู้สภาวะคนไหนเห็นจิตถล่มไปรู้บ้าง เคยเห็นไหมลองยกมือสิมีสิมีไหมมีไหม ม, ม, มีพวกยกอยู่แค่นี้เยอะเลยนะยกมากไม่ได้มาแต่เช้าไม่ได้อาบน้ำเนี่ยเราหัดรู้ไปด้วยนะฝึกทุกวันทุกวั น, วนจนสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติตรงที่อัตโนมัติเนี่ยไม่เจือด้วยความจงใจตรงที่ภาวนาสติสมาธิปัญญาทํางานเองโดยไม่จงใจนะ สติระลึกอยู่ที่จิตจิตตั้งมั่นมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะปัญญาอย่างรู้ความจริงของจิตทั้งหมดรวมลงที่จิตอันเดียวเนี่ยนะมรรคผลมันเกิดก็เกิดตรงนี้แหละถ้านะจะล้างกิเลสเป็นลําดับลําดับั้บงแล้วล้างเลยไม่ต้องกลับมาล้างอีกแล้นะทั้งหมดพวกเรามีโอกาสเกิดอรอยิยมรรคคนละสี่ครั้งเท่านั้นนะมีโอกาสเกิดได้คนละสีครั้งเท่านั้นนะไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวหมดเร็วนะ อย่าเสียใจเพราะว่ามันไม่เกิดทีเกิดเดียวเกิดหมดแล้วไม่ได้เกิดอีกนะบางคนสงสัยชาตินี้เป็นพระโสดาแล้วตายไปก่อนนะชาติหน้าจะเป็นปุถุชนหรือเป็นพระโสดาก็บอกแล้วนะมันตัดได้ทั้งหมดสี่ครั้งนะตัดแล้วก็ตัดเลยแต่ว่าก็จะเป็นพระโสดาแต่ไม่รู้ตัวหรอกไม่รู้หรอก แต่ว่าได้ยินได้ฟังธรรมะสะกิจใจนิดเดียวนะปิ้งไปเลยไปเร็วเลยนะงั้นเราภาวนานะโอกาสที่พวกเราจะเกิดอริยมรรคนะี่ยมีเพียงสี่ครั้งเท่านั้นนะ่ะในสังสารวัฏอันยาวนานนะงั้นภาวนาไปเรื่อยๆทําเหตุไปเรื่อยมันจะตัดเมื่อไหร่เรื่องของมันไม่ต้องรีบหรอกรีบไปก็เท่านั้นแหละรีบไปก็ไม่ได้แต่ว่าต้องทําเหตุนะฝึกให้มีสติ อะไรเกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้สึกรู้สึกบ่อยๆนะแล้วก็จิตไหลไปก็รู้จิตตั้งมั่นอยู่ก็รู้จิตไหลไปก็รู้จิตตั้งมั่นอยู่ก็รู้นี่ฝึกให้ได้สมาธิตรงที่อะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้อะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ฝึกให้ได้สติเวลาจิตไหลไปรู้เช่นเวลารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจิตไม่ตั้งมั่นเวลาดูท้องของยุจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่น ตั้งมั่นอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นกลางด้วยเพราะปกติพอจิตเราไปรู้อะไรเข้าไม่เป็นกลางหรอกเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายเวลาดูฟุตบอลเป็นกลางัหมเป็นกลางดูไม่สนุกนึกออกไหมเป็นกลางดู่ <c oughs> ดูทำไมเนาะเนื่องจากความเป็นกลางดูแล้วจืดดูแล้วจืดไหมถ้าจิตเราเป็นกลางดูฟุตบอลดูแล้วจืดไหม ถ้าจิตเราเป็นกลางดูโลกโลกจะจืดโลกจะจืดนะจืดสนิทเลยจืดจนกระทั่งเห็นว่าโลกนี้ไรสาระเหมือนเราไปดูบอล น, นะดูด้วยจิตที่เป็นกลางดูไปนานๆเมื่อคอไม่ดูมดีกว่าไม่เห็นที่มีสาระเลยแจงก็ทิ้งสนามฟุตบอลไปพอเราเห็นโลกด้วยจิตที่เป็นกลางนะด้วยจิตใจที่เป็นกลางโลกจะจืดใครภาวนาแล้วเห็นโลกจืดบ้างนีไมยกมือซิยกมือซิอซขอยนโฉมหน่อย พวกนี้เยอะเยอยนิดนัดนะหัดน้หัดแล้โลกมันจะจืดถ้าโลกมัน จ, จืดได้นะใจมันจะหิวน้อยลงเวลานึกถึงอาหารอร่อยอร่อยมันอยากกินใช่ไหมนึกถึงอาหารที่ไม่เมีไม่เอาไหนเลยกินกันตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งอยากกินไหมไม่อยากใจนี้เหมือนกันนะโลกมันจืดแล้วโลกเป็นอาหารที่ไม่อร่อยอร่อยเองต่อไปแนละ้ว มันไม่หิวอ่ะมันไม่อยากกินแล้วนะไม่อยากเข้าไปเสพอีกแล้วนะเนี่ยเพราะเรามาหัดรู้โลกนะรู้ตามที่มันเป็นมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นยินดีขึ้นมารู้ทันยินร้ายขึ้นมารู้ทันรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่ถลำลงไปรู้รู้ด้วยจิตที่เป็นกลางถ้ารู้ได้อย่างนี้เรื่อยไปอนะโลกจะจืดพรโลกจืดนะใจก็ไม่หิวท่านถึงบอกว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนักรู้ด้วยจิ็นกลางถ้ารู้ด้อย่นีื่อไนเพรม่หิวท่านถ คลายความผิวโหยในโลกพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วทําไมรู้ว่าหลุดพ้นแล้วแล้วจิตมันไม่เข้าไปเสพอารมณ์จิตมันเข้าไม่เข้าไปเสพอารมณ์นะจิตไปรู้อารมณ์นะแต่ไม่เข้าไปเสพแล้วเห็นโลกก็ว่างเปล่าดูนะก็อนุโลมตามโลกไปเท่านั้นเองก็คุยกับผู้หญิงก็คุยแบบนี้คุยกับผู้ชายก็คุยแบบนี้แต่ใจลึกๆนะไม่เห็นมีผู้หญิงผู้ชายหรอกไม่เห็นมีกระทั่งคนนะ แต่ว่าอนุโลมไปอนุโลมไปตามโลกตามสมมติตามบัญญัติในพวกเราไปฝึกนะฝึกไปเรื่อยวิธีฝึกก็มีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะรู้ตามความเป็นจริงด้วยจิตสร้างมั่นและเป็นกลางเท่านี้แหละพอไหวไหมไหวไหวไหวไหวแล้วทํำไหม <laughs> ต้องทําให้สมควรแก่ธรรมะนะธรรมะรักษาผู้กระพฤตธรรมรักษาจากอะไรรักษาจากทุกข์ ธรรมะจะรักษาเราจะผู้ประพฤติธรรมนะถ้าเราประพฤติธรรมให้สมควรแก่ธรรมะเราจะไม่ทุกข์โลกนี้ทุกข์จะตายเลยโลกนี้แปรปรวนตลอดใช่ไหมเราคนไทยอยู่ดีๆทางโน้นนิวเคลียร์ระเบิดเลยขึ้นมาอีกนะเราก็นั่งกลุมใจว่าจะถึงบ้านเราไหมอะไรเงี้ยคอยฟังข่าวพวกหนึ่งแรล้งหลอกว่ามาถึงฟิลิปปินส์แล้วอะไรเงี้ยจะถึงเมืองไทยแล้วถึงที่ไหนก็ถึงไปแต่ไม่ถึงสวนสันติธรรมหรอก <laughs> อา้าวไปตรวจกันบ้านาากล่าน้ำพรสกาดหลวงพ่อครับผมฟังซีดีหลวงพ่อมาปีกว่าๆครับตอนนี้ก็ปฏิบัติในรูปแบบตอนช่วงเช้ามืดนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งก็นั่งสมาธิเดินจงกรมครับที่ตอนเดินจงกรมเนี่ยก็ใจส่วนใหญ่ก็จะฟุ้งไปจะมีแบบว่ า, าตั้งมั่นอยู่สักประมาณ4ี่ห้าวินาทีนะฮะ แล้วก็จะไหลไปไหลไปจนกระทั่งหมดชั่วโมงอะครับฮะ<า>ชั่วโมงตั้งทีเดียวเหรอครับตั้งครั้งเดียวเองเหรอน้อยมากครับอ๋อต้องช่วยมันหน่อยถ้า ง, งั้นแสดงว่าสมาธิยังไม่พอนะครับต้องทําฝึกหน่อยอาจจะต้องช่วยนะบริกรรมกํากับเข้าไปพุดโทเข้าไปด้วยจะได้ไม่หนีคิดนานครั บ, รบของโยมถ้าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าใจมันช่างคิดเหลือเกิน ท่องพุทโธไปแทนที่ให้มันคิดสเปสสปะให้มันคิดถึงพุทโธไปถึงพระพุทธเจ้าคใจจะได้ไม่หลงนานแต่อไปเวลาเดินก็เดินด้วยความรู้สึกตัวเวลานั่งก็นั่งด้วยความรู้สึกตัวผมผมมีคําถามหนึ่งฮรเมื่อนานมานไมครับผมลองปฏิบัติก็คือทำเองน่ะครับก็คือนั่งสมาธิแล้วกดขมทําอยู่สักกดข่มกดจะจิตให้อยู่นิ่งน่ะครับทอยู่สาวันเนี่ยนะคร จิตมันมันรวมครับพอรวมปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายมันสูงยาวมากนะฮะแล้วตอนนั้นก็ตกใจกลัวก็เลยรีบออกมาจากหัวสมาธิอย่าไปกดะะอย่าไปกดอย่าไปข่มมันนะถ้าจิตเป็นสมาธิจริงๆมันไม่รู้สึกว่าตัวยืดไปหรอกแต่อาจจะรู้สึกว่าตัวใหญ่อืตัวพองใหญ่เต็มโลกได้นะแต่ไม่ใช่ยืดเป็นเปลือกนะพร้อมๆที่ <laughs> เป็นตัวมวนออกม่เป็นหรอกยังไม่เคยเห็นคแล้วแต่ มีผลต่อการปฏิบัติในอนาคตไหมครับไอการที่ดึงจิตออกมาจากสมาธิอย่างรวดเร็วอย่างนั้นนะไม่ดีอา่าไปดึงเนี่ยปวดหัวน ะ, นะเวลาจิตจะถอนออกจากสมาธิให้ค่อยๆถอนถ้าเขาถอนได้เองดีที่สุดเลยแต่ว่าพอออกมาจากสมาธิแล้วอย่าให้ความรู้สึกของเราไปติดความซึมมาจากข้างในน ะ, นะถอนออกมาด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเหมือนตื่นขึ้นมาแล้วก็แจ่มใสไม่ตื่นขึ้นมาแล้วงวเงี้ย เวลาออกจากสมาธิแล้วเหมือนคนงัวเงียนี่ใช้ไม่ได้เลยแสดงว่าไปนั่งหลับอยู่ข้างในแล้วถ้าผมจะทำสมาธโดยวิธีแบบกดกลมแบบที่เคยทำไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยไปกลมเลยนะเข้งพุดโธไปดีกว่าแล้วมันสงบของมันเองครับธรระสวรรคพวกเราสู้หลวงพ่อไม่ได้เพวกเราต้องเดินจงกรมหลวงพ่อนั่งก็กลมนะอ้าวคนที่สอง นวัตการค่ะหลวงพ่อเพิ่งส่งกันบ้านหลวงพ่อไปเมื่อต้นเดือนที่เชียงใหม่อะค่ะเนื้อทำไมส่งบ่อยนักล่ะก็มีมีมีทั้งกันบ้านมาส่งเพิ่มแล้วก็มีความปิดขัดด้วยค่ะเออามากก็วันนั้นหลังจากกลับไปก็คือคือ คิดว่าตัวเองคงเป็นคนที่เหมาะกับการดูเวทนาค่ะ hmm. พอพอเวทนามันเกิดแรงแรงแล้วแล้ ว, ลวพอมันแยกได้สามอย่างก็คือจิตกายแล้วก็เวทนา hey, และทีเนี้ยวันนั้นน่ะมันมันเห็นความต่อเนื่องอะคะ่ะคือจิตที่ไปรู้เวทนาก็อย่างหนึ่งแล้วมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะแปลให้สังขารปรุง uh, ความ <okay. S 2> ทุรนทุราย อ่าก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยเราต้องทุรนทุรายเราต้องเจ็บปวดนะ อ, อ, อย่างนี้นค่ะนั่นแหละกระบวนการทํางานของจิตละแลนะพอมันไปรู้อารมณ์นะก็มีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วก็แปลความหมายก็แปลความหมายแล้วก็ตกลงใจแล้วต้องตื่นเต้นหน่อยต้องตกใจหน่อยแล้วก็เกิดความกุ่มใจกังวลขึ้นมานะั่นเป็นวิธีของจิตแต่แ ต, แต่แต่ว่าเมื่อก่อนเวลาเกิดเวทนาค่ะก็จะเป็นทุกข์มากมแต่เดี๋ยวนี้ ชอบเพราะว่าจะได้ดูเพราะว่าเวลาเวลาปกติที่เวทนาไม่ค่อยเกิดอะค่ะปกติมันจะไม่ค่อยเห็นปกติเวทนาก็เกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะยิ่งแต่เวทนานั้นเบานะความสุขก็ไม่ใช่ร่างกายความสุขก็ไม่ใช่จิตไม่จําเป็นต้องเป็นความปวดนี่นะเวทนามีอยู่แล้วร่วมกับจิตทุกๆดวงนั่นแหละไม่ใช่ไม่มีนะ นี่เราไปคิดได้ว่าต้องปวดก่อนคือมันมันจะเห็นชัดอะค่ะเวลาที่เวลาอื่นมันอย่างโกรธนะความโกรธเห็นชัดกว่ากิเลสตัวอื่นนะเในบรรดาเวทนานะความทุกข์ก็เห็นชัดกว่าตัวอื่นนเห็นชัดกว่าตัวสุขเห็นชัดกว่าตัวอุเบกขาพ้าตัวมันอุเบกขานะนึกว่าไม่มีเวทนาเลยที่จริงมีทีนียค่ะมันมันติดเหมือนกับเหมือนว่า มันกลับไปเหมือนภาวนาไม่เป็นเลยอะค่ะอพออย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยล่าสุดเลยคือพอคล้ายๆกับว่าอา้าวเหมือนไปไม่เป็นเลยคือเหมือนมันจำหลักที่สอนได้ไหมเมื่อกี้สอนแล้วน ะ, ะดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายทําอะไรไม่ได้เลยทําสมถะไว้พุโทโธไปเหมือนมันตกใจแล้วมันมีเสียงพากว่าอา้าวไปไม่ได้แล้วนี่เงี้ยถ้ารู้ว่าตกใจถ้ารู้ว่าตกใจก็ดูจิตต่อได้เลย ถ้าถ้าตกใจมากดูไม่รู้เรื่องแล้วนะพุโทโธพุโทโธไว้ก่อนทำอะไรไม่ได้พุโทโธไว้ก่อนหนีเขาหาพ่อไว้ก่อนอยูแล้วแล้วหนูพึ่บก้าวไปเร็วเกินไปไหมคะหไม่เร็วเกินไปการภาวนานะไม่มีควาว่าเร็วเกินไปหรอกมีแต่พอดีนะขี้เกียจมันก็ได้เท่าที่ขี้เกียจนะก็พอดีพอดีกับคนขี้เกียจนะ ขยันก็ได้อย่างที่คนขยันนะพอดีกับคนขยันไม่มีมากไปน้อยไปอายุที่ทำที่สุดเลยแต่ว่าต้องขอขอข อ, อนุ ญ, ญาตข อ, ขอขอบคุณพี่เอ็ดดี้ดวยค่ะเขาช่วยให้คำแนะนำนึกว่าเขาจับฉลาแกแทนกราบนามัสการหลงพ่อครับผมมาส่งการบ้านในรอบเก้าเดือนนะครับคือหลงพ่อบอกว่าให้เรารู้หลักแล้วช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด แต่หลักที่ผมภาวนาอยู่นี่ผมยังไม่รู้ว่าผมตกตกไปหรือเปล่าเพ่งไหมเพ่งไหมบางครั้งก็เพ่งแต่เพ่งแล้วแต้มจะแน่นแน่นทื่อๆแข็งๆนะครับเผลอไหมถ้าเผลอก็ลืมกายลืมใจนะถ้าเมื่อไหร่เผลอไปแล้วรู้ทันมันจะรู้ได้พอดีแต่พอรู้ปั๊บว่าเผลอไปนะก็จะกลับมาเพ่งเราจะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เพ่ง ความเผลอเกิดแล้วดับความรู้สึกตัวเกิดแล้วดับการเพ่งเกิดแล้วก็ดับอีกสภาวะทั้งหลายเนี่ยเท่าเทียมกันไปหมดเลยะลองดูไปเรื่อยๆนะสภาวะทั้งหลายมีแต่เกิดแล้วก็ดับเท่าๆกันแหละไม่มีดีมีเลววกันหรอกขออีกนิดครับผมยังมองจุดอ่อนผมไม่ออกหลวงพ่อช่วยติดเพ่งไนงอย่าไปเพ่งไว้อย่าไปเพ่งเหมือนเนาะขอบพระคุณนะไม่มาสกปรกหลวงพ่ออย่าไปข่มมันอย่าไปกดมันะรู้ไปสบายสบาย รู้สบายๆแล้วมันฟุ้งซ่านก็รู้ทันว่ามันฟุ้งซ่า น, นไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องอาศัยอยู่กับพุทโธก็ได้ะพุทโธไปหรือไม่ชอบพุทโธเอาอย่างอื่นก็ได้นะรู้ลมหายใจก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าจิตหนีไปเรารู้ไม่บังคับนะถ้าบังคับมันจะแน่นๆเอาคุณติดบังคับนิดหน่อยนะแต่ไม่แรงมากหรอกอ้าเชิญแม่ทศกาลหลวงพ่อค่ะจะถามให้คุณแม่ค่ะคุณแม่เป็น มาเลงแล้วก็มีทุกขเวทนาทางกายเยอะมากแต่หนูก็สอนให้ท่านตามดูลมหายใจแต่ว่าคุณแม่จะเผลอนานมากแต่ะะคุณแม่จะเผลอนา น, นะคะวันหนึ่งแล้วถ้าสมมุติหนูอยู่กับท่านก็จะอบอกเรียกท่านแล้วก็ถามท่านว่าเผลอไปแล้วรู้ไหมท่านก็บอกว่ารู้แต่ว่าก็หนูไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงให้คุณแม่เขาแม่เคยภาวนาไหม ไม่เคยค่ะแต่คุณแม่สวดมนต์เก่งนะมากค่ะชวนชวนแม่สวดมนต์ไปเรื่อยๆะนะให้ใจเค้าอยู่กับกุศลที่เขาเคยชินไหมนะไม่ขัดตุนหรอกค่ะแล้วแล้วแบบว่าเหมือนกับพอให้คุณแม่เขาแยกเวทนาทางกายว่ากายอยู่ส่วนนึงแยกได้ไหมแยกได้บ้างไม่ได้ค่ะคุณแม่อยู่นั่งหยุดใส่แน้าตัว อ, อ่ะก็ไม่เป็นไรหรอก ก็ดูไปเรื่อยๆนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยก็ส really, ่วนหนึ่งใจของเราเป็นคนดูก็ส่วนหนึ่งใจของเราบางทีก็มีความสุขบางทีก็มีความทุกข์บางทีก็มีกังวลบางทีก็มีความห่วงใจเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้เอาเราแยกต่อไปอีกความสุขความทุกข์ความห่วงความกังวลทั้งหลายเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าไม่ใช่ใจของเราใจเป็นธรรมชาติที่รู้เท่านั้นเองนะถ้าแม่แยกได้แม่ก็สบายเลย แล้วให้แม่ดูเป็นแบบร่างกายเป็นแค่ทาทีได้ได้ดูได้สอนแม่เก่ง <c oughs> กลับ น, นมัสการ <c oughs> กลับนมันสการค่ะหลวงพ่อเมือ่อห้าเดือนที่แล้วอะคะ่ะหลวงพ่อบอกว่าหนูจิตไม่ตั้งมั่นนะคะ่ะแล้วก็ไม่เดินปัญญาะคะ่ะให้ไปคิดน้ำอะคะ่ะ <c oughs> งั้นช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาหนูก็เ อ, อใช้ไปดูหลงคิดหลงรู้อะคะ่ะหมายถึงหลงไปแล้วก็รู้แล้วก็ ให้ดูถ้ามันเกิดก็บอกเอ๊ะมันเกิดแล้วนะเห็นไหมมันดับไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้คือใช้คิดนําหรือเปล่าลอย่างนั้นแะละเพราะงั้นช่วงหลังก็คือรู้สึกว่าตัวเองจะคิดนําน้อยลงนะค่ะหลวงพ่อมันไม่ต้องคิดนําต่อไปนะพอมันจิตเคยชินที่จะรู้ทันแล้วมันก็รู้ของมันเองละไม่ต้องคิดนําก็คือมันจะหายของมันไปเองนี่ค่ะหลวงพ่อใช่ก็คือสิ่งที่หนูทํามาตลอดห้าเดือนก็คือถูกต้องถามหน่อยห้าเดือนนี้ แก่อห้าเดือนก่อนต่างกันไหมปัจจุบันนั่นแหละคือเครื่องวัดผลเรารู้ด้วยตัวเราเองได้นะหลวงพ่อคะแล้วอย่างเวลาหนูเดินตรงกลมนะคะก็คือบางทีเนี้ยก็จะรู้ว่าตัวเองเดิ น, นะค่ะบางทีก็จะไปรู้พุตโธบางทีก็ไปรู้ลมหายใจนะค่ะซึ่งแต่ละครั้งก็คือมันจะตกแค่คือรู้แล้วค่ะว่าคือมันจะรู้แค่อย่างเดียวอะค่ะแต่มันจะเวียนสามอันเนี้ยค่ะได้รู้อะไรก็ได้นะแต่เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยอ๋อค่ะขอบคุณค่ะ กับนส ก, การหลวงพ่อครับคือมาส่งการบ้านครั้งแรกครับอบอกเรื่องสภาวะเลยนะครับเพราะว่าก็ปฏิบัติตามที่หลวงพอ่อพูดในซีดีะครับก็เดินจงกรมบ้างไม่ได้นั่งสมาธิเลยแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง น, นั่งทานั่งฟังธรรมนยฮะแล้วก็เกิดสภาวะรู้เลยว่าหาตัวตนไม่เจอ เห็นแค่ว่ามันมีความคิดเห็นเห็นว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้เลยว่าความคิดนั้นมันเกิดขึ้นได้เองเราไปคิดเองไม่ได้มันเกิดขึ้นมาเองผมแล้วก็พยายามหาว่าใครคือคนคิดตัวตนเราอยู่ที่ไหนไอตัวที่เราคิดเนี่ยไอ้ตัวที่พยายามหาเนี่ยแล้วรู้ว่าตัวตนหายไปเนี่ย มันเป็นตัวตนหรือว่ามันเป็นอะไรครับที่จิตมันก็คิดสิมันไม่มีตัวตนหรอกนะตัวตนหาอย่างไงก็ไม่เจอหรอกมันเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองตัวตน่ะไม่มีจริงหัดดูไปเรื่อยนะจะเห็นเลยว่าความคิดมันก็ผุดออกมาจากความว่างๆแล้วมันก็สลายไปในความว่างๆเหมือนฝันไปเท่านั้นเองเหมือนฝันนึกออกยังคเหมือนมันฝันนัจิตมันฝันนั่นแหละ ไม่มีจริงหรอกเลื่อนๆลอยๆไปแต่พอมันคิดเรื่องนี้มันเกิดสุขเรารู้ทันมันคิดเรื่องนี้มันทุกข์ขึ้นมารู้ทันคิดเรื่องนี้โลรคปวดหลงรู้ทันะเพราะว่าถ้ารู้ไม่ทันนะความสุขความทุกข์ความโลคความปวดความหลงนั่นมันจะมาครอบงําจิตแล้วถ้าเกิดผมเดินจงกรมแล้วไม่บริกรรมได้ไหมครับได้ถ้าไม่เผลอนะถ้าเดินแล้วใจลอยเออเระเหยไปเรื่อยไม่ดีเดินจงกรมก็เดินด้วยความรู้สึกตัว จะบริกรรมหรือไม่บริกรรมไม่สําคัญหรอกบางคนถนัดบริกรรมก็บริกรรมบางคนไม่ถนัดก็ไม่ต้องบางคนเบื้องต้นบริกรรมไปก่อนพอจิตสงบแล้วคําบริกรรมหายไปนะไม่ไม่นั่งสมาธิเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นแต่ว่านั่งอยู่ต้องมีสตินะไม่นั่งใจลอยถ้าเมื่อไหร่นั่งด้วยความมีสติมันนั่นแหละนั่งสมาธิแล้วถ้านั่งแล้วขาดสติก็นั่งไม่มีสมาธิเลย ค่ะก็ส่งการบ้านหลวงพ่อเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝึกมาประมาณสามปีะคะ่ะก็ตอนนี้จากผลการปฏิบัตินะคะก็อยู่อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เวลาเรู้สึกตัวนะคะก็จะมันจะมารวมกันอยู่บริเวณด้านหน้าเนะะี่ยค่ะก็เลยอันนี้เขาเรียกว่าเ อ, อเข้าสมถธอัตโนมัติแบบ ที่หลวงพ่อสอนหรือเปล่าก็มันไปอยู่ตัวไหนก็ช่างมันก็เห็นนะทุกอย่างมันชั่วคราวไปนะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเวลาเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะดูว่ามันดูความมีปิติของมันแล้วก็ดูความหายไปของมันอย่างนี้ค่ะดูความมีอยู่นะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปแต่อย่าไปปกครองนะ ถ้าประคองแล้วมันก็อยู่ตัวนี้ไปทั้งวันอย่างเงี้ยไม่ดีแล้วก็ตั้งแต่ฝึกมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าบางครั้งเวลาส่องกระจกเงี้ยค่ะก็จะกลัวตัวเองเป็นบางครั้งเหมือนเริ่รู้สึกเห็นคนแปลกหน้าแล้วใช่มันไม่ใช่เราะนะดีขอบคุณค่ะกราบมามุสการหลวงพ่อครับผมก็เริ่มฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยมาประมาณปีครึ่งครับ แล้วก็ได้เริ่มปฏิบัติเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มฝังก็สวดมนต์คือผมเป็นคนที่ชอบสวดมนต์แล้วก็สวดไปเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิต่ออืมก็เคยมีครั้งหนึ่งนะคที่ได้ปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนกับว่าจิตเนี่ยแยกออกจากจากร่างกายเนี่ยอืมแล้วมองเห็นร่างกายเนี่ยเหมือนเป็นท่อนไม้หรือเหมือนเป็นวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เราแล้วก็เ okay. อพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ก็ไม่เห็นอีกเลยก็ปฏิบัติมาเรื่อยก็ ก็คือรู้พยายามรู้ว่าเอ๊ะหลงไปอีกแล้วหลงไปอีกแล้วอืมพยายามรู้ทั้งวันเพราะว่าเวลาทํางานบางทีก็มีเรื่องหุ่นหยิดบ้างอะไรบ้างก็พยายามคิดอะไรไม่ออกก็พุทโธครับคิดอะไรไม่ออกก็สวดมนต์ครับก็พยายามทําแล้วก็คืออยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยพอจะไปได้ไหมแล้วก็รีสิแล้วพอจะไปไหวมไหมพอจะไปถึงปากฝั่งได้ไหมเอาภาคฝั่งไปเนาะ ดูนะถึงเวลาทําความสงบเข้ามาสวดมนต์ไปในจิตสงบจิตตั้งมาแล้วดูจิตทํางานดูกายทํางานไปเรื่อยนะเห็นร่างกายไม่ใช่เราทําไมมันเห็นได้ทีเดียวเพราะมันอยากเห็นอีกถ้าอยากเห็นมันไม่เห็นหรอกใจมันอยากสสติไม่เกิดครับะงั้นรู้สึกเล่นๆไปนะเนี่ยนั่งพยักหน้าเห็นไหมเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายอ้าปากเนี่ยเนี่ยดูมันไปนะครับครับกลับขอบคุณครับ จะเห็นอะไมันไม่มีตัวเราคือภาวนาเป็นนะจะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเรากรรมธรรสกันกกรครับ อ, อผมสังเกตตัวเองว่าเวลาถ้าทานอาหารแต่ละมือเยอะๆไปหน่อยมันก็จะง่วงมันก็มีผลกับการปฏิบัติเทำให้ให้ปฏิบัติลําบากครับใช่ใช่พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วล่ะครับแล้วอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าผมเหมาะกับทุกขาปฏิปทาหรือเปล่าครับหรือต้องทำใ้ลำบากหน่อย กินอาหารอิ่มเกินไปไม่ใช่สุขขาปฏิปทาหรอกนะ <c oughs> <c oughs> ครับกินพอดีพอดีครับบางบางมือก็คืองดได้ก็ดีใช่ไหมครับก็ <c oughs> ดูนะอย่าให้ร่างกายชํารุดไปครับแล้วตอนบ่ายบางทีแอบนั่งสมาธิชาร์จแบตที่ทํางาน <c oughs> บางทีมันมันเหมือนกับว่ากายมันล้ามันมีผลทําให้นั่งบางทีแรกแรกสักห้านาทีแรกก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิตามรู้ตามดูได้อยู่พอหลังจางนั้นมันจะหมดเหมือนหมดแรงแล้วก็งงงงง่างงงเลยครับ แค่ไม ง, งเง้ยไปมันรวมปุ๊บลงไปนะมันเด้งขึ้นมาก็จะสว่างขึ้นมามีแรงไปได้อีกช่วงหนึ่งครับแล้วก็ตอนนี้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ถึงโดยโด ย, โดยรวมที่ผ่านมาพอพอพ อ, พอได้ไหมครับฮึหมาแล้วว่าจะไม่ตอบแบบนี้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> จิตไหลไปเรารู้ไหมล่ะก็รู้บางครั้งขณะนี้จิตถึงฐานไหมฐานี้จิตถึง ขณะนี้ขณะนี้ลองย้อนไปดูจิตซื้อดูจิตได้ไหมหรือมันเด้งออกมันเหมือนเพ่งเข้ามาครับเอมันมันต้องบังคับไงนะมันไม่เข้าหรอกมันต้องพยายามฝืนพยายามบังคับขณะนี้จิตมันไม่ถึงฐานจิตมันไม่ตั้งมั่นจิตมันกระจายออกนอกถ้ให้เรารู้ทันเนี่ยใจิตนี้ไปคิดบ้างจิตมาคอยฟังหลวงพ่อพูดบ้างนะจิตมันมันอยู่ข้างนอกมันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเราเอง งั้นถ้าเรารู้ทันเวลาจิตออกนอกแนละ้วมันจะกลับเข้ามาเองนะจิตจะตั้งมั่นสมาธิก็จะดีขึ้นอืแล้วก็อีกข้อหนึ่งครับเอวิหารธรรมควรเป็นพุโทโธหรือว่าดูลมหายใจดีครับอะไรถนัดเท่านั้นแหละอหายใจแล้วหลับเลยหายใจแรกๆสังเกตว่าถ้ามันถ้าดูลมหายใจเลยมันไม่ดีครับต้องพุโทโธไปก่อนพอจะฟักจิตมันเริ่มเป็นสมาธิมันจะมาดูล ม, ล, ลมหายใจง่า ย, ายกว่าเ อ, อใช่ถูกแล้วล่ะ มันจะทิ้งพุโทโธไปนะอย่างนั้นแหละทาอย่างนั้นแหะอ๋อครับถูกแล้วละขอบคุณครับหลวงพ่อแต่ก่อนก็อย่างนั้นแหละหายใจไปพุโทโธไปนะเสร็จแล้วมันทิ้งพุโทโธไปเหลือแต่ลมการนมัสการค่ะหลวงพ่อเออคือจะเรียนถามว่าเวลาที่จิตมันเหมือนรู้สึกว่าเบื่อกับอาการที่มันมันปรุงเวลาที่จิตเราคิดขึ้นมามันจะปรงไม่ดีอะค่ะอืมแล้วพอมันปรงไม่ดีปุ๊บเราก็จะรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวปุ๊บเราก็จะ วิรู้สึกว่าเอ๊ะแกคิดนะฉันไม่ได้คิดอะไรแบบเนี้ค่ะดีโทษมันไว้เราไม่บาปแล้วแล้วบางทีรู้สึกแบบว่ามันมันมันช่วงนี้มันเป็นบ่อยมากแล้วเราก็เลยรู้สึกเบื่อกับจิตที่มันเข้าไปปรุงอยู่ตอนนี้ยเบื่อตัวนี้ไม่ใช่นิพพานหรอกเบื่อตัวนี้เป็นโทสะหงุดหงิดมันลำคาญมันใช่เป็นกิเลสนะชื่อกุบกุบจักเป็นลูกของโทสะเองแล้วก็คือต้องการรู้ไปให้รู้ทันว่าจิตไม่เป็นกลาง ไม่ชอบเลยที่มันเป็นแบบนี้ ใ, ให้รู้ทันตัวนี้นะค่ะมรตรการครับหลวงพ่ออารมณมนูปฏิชฌานอารมณมนูปฏิชาน<ะ>อารามอารามมนูปฏิชานอาจรลักขณูปิชาเนี่ยผมก็ลองทําดูอารมณมนูปฏิชานเน<ะ>ี่ยว่ามันไม่อยู่ฮะมันจะเป็นหนึ่งนะหนึ่งกับหนึ่งน ะ, ะแต่หนึ่งไปหนึ่งมาเป็นหนึ่งอย่างนี้ อันนี้คืออารมณ์มันปุ๊บลงมาอันนี้อารมณ์มันดูวิตกแล้วแล้วมันทำไม่ได้เป็นไรไหมฮะไม่เป็น <laughs> ทำแล้วมันก็อยู่อย่างนี้อย่างนี้นแหละดีให้จิตมันตั้งบั่นเป็นคนดูนะเห็นสภาวะแต่ถ้าสภาวะอันเดียวเนี่ยจิตที่ตั้งอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างเนี้ยนะก็สงบได้นะเวลาสงบไม่ทิ้งตัวนี้ไปตัวนี้รวมรวมดวงตรงนี้เลยถ้าผมผมผมรู้สึกอยู่อย่างนี้มัดีไหมฮะอย่างนี้ไปแหละไป เออไม่มันไม่ตั้งมั่นหรอเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้หลวงพ่อถามเห็นถลํำไหมผมก็มันผมต้องถลําแน่เลยตรงไม่รู้ของคุณมันถลําไปคิดมากกว่ามันชอบถลําไปคิดมากกว่านะ <c oughs> มันเป็นคนชอบคิดฟุ้งๆไปครับะ <c oughs> ให้รู้ทันอยากจะบริกรรมไว้เรื่องอะไรไรก็ได้ช่วยมันหน่อยไม่ให้มันถลําไปคิดนานครับครั้นี้หลวงพ่อมีบอกว่าพยายาไม่หากรรมฐานที่ อยู่แล้วมีความสุขมันก็หาไม่เจอมันก็เฉยๆไปหมดอย่างเงี้ยครับอืมเท่าพุโทโธไปก็ได้ทำอะไรไม่ได้นะเท่าพุโทโธพุโทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดแล้วคอยรู้เอานะจะได้สมาธิเพิ่มขึ้นว่าบังคับมันพุโทโธไปก่อนเออ ก, ก็ยังก็ยังดีบังคับไปก่อนดีกว่าดีกว่าปล่อยเลยนะครับคือเบื้องต้นบังคับไว้นิดหน่อยไม่เป็นไรรู้ว่าบังคับอยู่ไม่ใช่ปัญหาครับนะ ทั้งวันก็บังคับไปเรื่อยๆหรือพุโทโธก็พุโทโธไปหรือพุทโธั็พุโทโธไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่พุโทโธเพื่อจะเอาอะไรครับพุโทโธเพื่อจะรู้ทันจิตเท่านั้นแหละครับะจิตสงบก็รู้พุโทโธไปแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้พุโทโธแล้วจิตสงบกร็รู้แค่นี้แหละค ร, ครับคขอบคุณครับรบ <nu? S 1> <WhatsApp. S 2> ามมรรคการค่ะหลวงพ่ออืมก็อได้เห็นกายเป็นตัวอะไรอยู่ ไ, นะได้เห็นกายเป็นตัวอะไรสักอย่างที่เคลื่อนเคลื่อนไหวม<อ>นอตอนต้นตีนะคะ<อ>พร้อมทั้งร่างกายของคนอื่นด้วยทีนี้เนี่ยก็ก็ก็หยิ่มใจอยู่พักหนึ่งแล้วก็ภาวนาไม่ได้ไปพักหนึ่งทำไมละ่ะ เ, เข้าใจว่าคงโลภว่าไปอยากเห็นอีก อ, อยากไม่เห็นหแต่หลังจากนั้นพอเราไม่ได้อยากมันก็จะเข้ามาขึ้นมาเนือง เมื่อไม่นานมานี้ได้เห็นความโกรธดับไปครั้งหนึ่งทีเนี้ยทรงนานเลยคงเป็นเพราะว่าอยากเห็นหีค่ะ <c oughs> ทีนี้นี่นม่ส่งกันบ้านครั้งก่อนได้ส่งแล้วหลวงพ่อแนะนำในเรื่องของความเพลินในสุขก็ช่วยได้เยอะค่ะตอนนี้ติดขัดอยู่เรื่องของนิวรกลางวันไม่ค่อยมีปัญหาก่อนกลางคืนจะรู้สึกว่าจะฟุ้งง่ายก็ก็ทำให้ทรงลงไปอีกอยู่บ้าง จิตมันฟุ้งก็คือจิตมันจะหนีไปคิดนั่นแหละนี่มันคิดสเปสสปะไปนะแทนที่เราจะให้มันคิดสเปสสปะนะเราพามันคิดเรื่องดีๆไปคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงอะไรที่เราทำมาดีๆก็ได้นะที่รู้สึกแย่เพราะว่าเหมือนฟุ้งในความชอบนี้นะคะนั่นแหละมันเรื่องของเก่าเราฮนะมันติดสุขนะก็ะแค่รู้ทันมันแหละอ่ มีเพื่อนที่ปฏิบัติไปได้ไกลเขาแนะนําว่าให้หนูไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับนิวรณ์เพิ่มเติมนิวรณ์ทั้งหมดนะเป็นความฟุ้งของจิตนะงั้นเราบริกรรมไปเรื่อยๆก็ได้แล้วจิตไหลไปเรารู้ไหลเรารู้นะสมาธิเพิ่มขึ้นนิวรณ์ก็หายไป อ, อสุดท้ายค่ะหลวงพ่ อ, ห น, พอหนูคนปฏิบัติในตอนนี้นี่หลวงพ่อมีต้องปฏิบัติให้เยอะเลยขยันขยันแนละ้ ขอบคุณค่ะปวดเล้ะเลยนวัตการเจ้าค่ะหลวงพอ่อโยมปฏิบัติธรรมมาเข้าวัดประมาณยี่สิบปีเห็นจะได้แล้วก็ได้ตอนหลังได้ฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณเ8็แปดเดือนแล้วเห็นว่าตัวเองเนี่ยโทสะแรงโกรธ แล้วก็เอาใจใจตัวเองอเป็นตัวเองไม่ดีแล้วก็ชอบไปตักเตือนว่าคนอื่น อ, อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาโยมก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมไหว้พระทุกวันนั่งสมาธิแต่บางครั้งก็กำหลดดูลมหายใจแล้วก็เคลื่อนมาที่ดูความเพื่อมเพื่อมที่ท้องแล้วก็มาดูที่ใจว่าบางครั้งก็เห็นความแวบไปลงไปบางครั้งก็ไม่เห็นบางครั้งมันนานนะกวจะเห็นที สว ด, ดมนต์ไหว้พระบางทีก็หลงไปอะไรนี่เจ้าค่ะคือโดยธรรมชาตินะโยมถ้าคนเราเนี่ยอายุถึงห้าสิบแล้วเนี่ยถ้านั่งสมาธิแล้มักจะเคลิม ง, ง่ายเราต้องพยายามเคลื่อนไหวนะหลวงพ่อนะแต่ก่อนตอนบวชเนี่ยหมวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่นะมีภาระเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กว่าจะหมดภาระนะมาได้บวชอายุสี่สิบแปดแล้วนั่งสมาธิแล้วจะหลับงง่ายๆพอเหนื่อยๆขึ้นมาจะหลับอง มพมพอนั่งพัดนะมีพัดอยูน่นะเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ปล่อยให้มันเคลืมหรอกเคลื่มเดี๋ยวเคลื่มทีหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงอคอกเล็ดไปเลยบางครั้งทําทไมเผลอรู้สึกเผลอนานบางครั้งก็เผลอแั่ห้านาทีเจ็ดแปดนาทีาไม่รู้ได้ว่าอ๋อนี่เผลอไปแล้วนะสวดมนต์ผิดแล้วนะนอะไรเจ้าค่ะนะกต้องเพิ่มสติขึ้นนะเพิ่มสติขึ้นรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนิดนึง ใจมันใจมันไหลไปสติมันอ่อนไปเยอค่ะแล้วควรหลวงพ่อมีวิหารธรรมอะไรให้ดูกายไว้เอากายไว้พออายุเยอะขึ้นเนี่ยดูจิตตรงๆยากแล้วดูกายไ ป, ยไปถ้าดูจิตอย่างเดียวมันละเอียดไปนะั่นเดี๋ยวจะเคริมง่ายเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอน หรือถ้าเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนแล้วยังจะเคลิ้มอีกนะคิดพิจะะารณาร่างกายไปเลยะเมื่อก่อนเราเป็นสาวเราเป็นเด็กเราแข็งแรงกว่านี้ตอนนี้แก่เท่าลงอะไรอนะย่เงี้ยนะพิจารณาอีกไม่นานก็ตายอะไรเนี้ยให้จิตมันทํางานไม่ให้มันอยู่ยเฉยนะไม่ให้มันซึมแล้วบางครั้งก็เห็นรู้สึกตัวเองเนี่ยมันเบื่อหน่ายปวดนูน่นปวดนี่เจ็บนูน่นเนี่ยมันเบื่อด้วยโทสะนะมันไม่ชอบหรอก เลยเบื่อเลยอยากหนีไปในป่านั่งเอยู่ในป่าก็เมื่อยนะอยู่ในป่าไม่เมื่อยเมื่อไหร่ล่ะเจ้าค่ะนะาไปดูไก่ให้เยอะไว้นะะเอาไก่มาช่วยมีกี่คนอาจารย์กลับนวัตการหลวงพ่อเจ้าค่ะแต่เดิมหลวงพ่อเคยทักว่าติดนิ่งอะค่ะ ปัจจุบันนี้ก็รู้สึกตัวได้เร็วขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีอยู่จ้ะค่ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนำะก็รู้ว่าดีว่าดีจริงเปล่าบางทีก็ร้ายค่ะโอก็เรียกว่าเป็นคนดีบางคราวร้ายบางคราวไม่มีใครดีตลอดร้ายตลอดหรอกนะแต่ดูให้ตรงความจริงก็แล้วกันเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นไหม บางครั้งเยอะเลยค่ะเออนะั่เรามีความเห็นว่าอย่างนี้ถูกก็คนอื่นไม่เห็นเหมือนเราก็โมโหเลยเป็นบ้างไหมบ่อยๆค่ะเออนั่นแหละไปดูบ่อยๆ อ, อย่างนั้นแหละนะขอบพระคุณค่ะเวลาจิตมันไปยึดในความคิดความเห็นนะรีบรู้ทันเลยนะค่ะนำ้ำมาศการหลวงพ่อค่ะเอส่งการบ้านครั้งนี้ก็ครั้งที่สองค่ะครั้งแรกส่งเมื่อปีห้าสองนะคะค่ะหลวงพ่อทักว่าอตอนนั้นหนูบอกหลวงพ่อว่าห น, หนูเห็นความคิดบ่อยมากแล้วหลวงพ่อ ทักหนูว่าเห็นกิเลสไหมหนูก็คิดว่าอ๋อหนูคงใส่ไปจงอยู่กับความคิดเยอะหนูก็เลยกลับมาดูตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นกิเลสเยอะมากมแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยหลงหลงเข้าไปในกิเลสอะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยแต่ว่ามารักษาสี่ห้าเลยค่ะเพราะเอามันไม่ไหวเออต้องรักษาสี่ห้าถูกต้องนะค่ะรักษาไว้ก่อนค่ะหลวงพ่อคะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นนะคะหนูรู้สึกว่าหนู่หนูโกรธอะมีความมีความรู้สึกว่าโกรธ แล้วแบบมันมีแสงแบบว่าคือเต็มตัวเลยนะคะหลวงพ่อแล้วคือแบบหนูก็ไม่รู้ว่าแบบเออทําไมเป็นแบบนี้หรือจิตหนูกระโจนเข้าไปตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความโกรธ ด, ดับไหมไม่ไม่ดับอยู่นานนะคะหลวงพ่ออ๋ออย่างนั้นเรียโกรธจนหน้ามืดเลยใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อมันอยู่นานเลยค่ะออห้ามมันไม่ได้คนะมันยิ่งใจที่ไม่ได้บังคับนะแล้วไม่ได้ติดเพ่งเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติของมัน คนที่โกรธมันก็โกรธแหละ <Okay. S 2> นะยิ่งถ้าแตกอนไปบังคับมันนะยิ่งโกรธแรงกว่าคนทั่วๆไปใช่ใช่คือคือเหมือนว่าใจเราไม่เป็นกลางด้วยหรือเปล่าค่ะถ้ามันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธน ะ, ะแล้วก็เป็นกลางอ่อนใจที่โกรธออไม่ได้ไปเกลียดใจที่โกรธนะค่ะอ่ขอการบ้านด้วยนะคะหลวงพ่อต้องพยายามฝึกนะให้ใจมันมีเครื่องอยู่ไม่ให้มันฟุง้งนะ ใจฟุ้งมากไปไหมตอนนี้ตอนนี้มันฟุ้งมากไปใช่ไหมคะใช่ไหมล่ะใช่นี่เดี๋ยวที่เราใช้วิธีถามถาสมมติว่ามันฟุ้งเรากลับมาต้องกลับมาดูใจเลยใช่ไหมคะถ้าฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งสร้านนะหให้ให้รู้สิ<ๆ>หรือถ้ามันฟุ้งแรงเนี่ยจงใจกลับมาดูมันไม่ยอมนะมันอยากคิดมากเลยแทนที่จะให้มันคิดสเปซสปาให้ให้มันค Spa, ิดในเรื่องของธรรมะไปนะแต่ว่าไม่พูดนะ <c oughs> บางคนใช้วิธีบอกมีเครื่องอยู่คือ พูดธรรมะเจอใครก็พูดไปด้วยไม่มีใครก็อยากฟังกั้นไม่เอาธรรมะเป็นของสูงไม่ไปพูดเล่ น, นแต่ดูใจนะคิดพิจารณาดูกายดูใจพิจารณาไปด้วยร่างกายนี้สวยจริงอย่างที่เราคิดไหมไ ม, มันสวยงั้นมันงามจริงไหมนี่ลองไล่ดูนะจะได้ไม่ฟุ้งมากค่ะขอบคุณนะขอบพระคุณนะค่ะ ส่งกันบ้านครบ15ท่านแล้วนะครับก็ช่วงสุดท้ายนี้ผมขอเป็นตัวแทนทุกท่านในสาราลุงชิงแห่ง น, น, นี้ร่วมกันถวายทานที่มีผู้นํามามอบไว้นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไตรยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปาโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว ปราบสิ้นกาลนานเทถรยถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาขังเอวเมวายโตทินังเปตาหนาังอุป ก, ปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังจิ ป, ปเมวาสมิจตุสัเพปูเรนตูสังกปาจั น, ตนโตปันรโสยถามณีโชติรโาโสยะถาสัพพีติโอวิวัตชันโตสัพพโรโควินาสตุ มาเตพวัตวันตรายโยสุขีตีคายโยโกภาวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังมุทธาจจายิโนจตตาโรธรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง